รูบาลเราก็ได้พักผ่อนนะแล้วก็เตรียมซักผ้ากันเรียบร้อยนะวันนี้ก็ออกเดินทางกันต่อก็ซันเป็นแบบเป็นพระธุดงนะหรือว่าเป็นคณะที่ธุดงก็ไปเรื่อยๆนะ เหมือนกับนกนะหาอากิรไปเรื่อยๆนะไม่ติดทีนะ่ก็ถือว่าเราก็เดินทางนะเป็นการภาวนานะอยู่กับที่นานๆนะบางทีก็อาจจะทำให้เกิดความสะดวกสบายนะจนไม่ค่อยอยากทำอย่างอื่นนะ บางทีก็ใส่การเดินทางเป็นการปลุกนะกระตุนต้นเองให้ตื่นนะให้ตื่นขึ้นมาพนะระติดอีสานนะมันมีนะบอกว่าบอกออกจากบ้านบอกหูฟ้องแดนไก่บนะ่เฮียนวิชาพนที่มีความรู้นะนะนะบอกถ้าไม่ออกจากบ้านนะไม่รู้จากนะบ้านเรือน ที่อื่นที่อยู่ไกลๆบ้านตัวเองนะแล้วก็ถ้าไม่เรียนวิชาก็จะไม่มีความรู้นั้นบางทีเราอยู่กับแต่กับบ้านของเราอยูออยู่กับวัดของเราเนะเราก็จะรู้แต่ธรรมเนียมข้อวัดปฏิบัตินะภายในวัดของเราเองนะแต่ถ้าเราได้ออกมาเดินทางไปในที่ต่างๆเช่น ได้ผ่านชุมชนได้ผ่านวัดต่างๆนะได้พบเห็นข้อวัดปฏิบัติของแต่ละที่เนะี่ยเราก็จะเกิดความรู้เพิ่มขึ้นนะหูตาสว่างมากขึ้นนะนะไอ้ที่แบบที่เราเคยทำเราก็ทำได้ในทะี่ของเราแต่บางที่นะนะแต่บางที่เขาอาจจะทาอีกแบบหนึ่งเลยนเราก็ต้องเรียนรู้นะ เรียนรู้เรียกว่าข้อวัดปฏิบัติที่มันอาจจะมีความหลากหลายนาะนะแม้เราบอกว่าเราเป็นเทราวาดนะเป็นเทราวาดเหมือนกันนะแต่แต่ละวัดก็อาจจะมีรูปแบบนะในการข้อวัดปฏิบัติแตกต่างกันบ้างนะเราก็เรียนต้องเรียนศึกษาให้รู้นะตั้งแต่ที่เข่งครัดนะแบบธรรมยุทธ์เนี่ยเขา เขาเข่งคัดเขารักษาข้อวัดกันอย่างไรนะเราไปอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับตัวให้ได้นะเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าเออทําไมข้อวัดในข้อต่างๆเขาถึงรักษาไว้นะรักษาไว้มันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะอ่ข้อวัดที่มาในที่ศีลสอง้ยี่สิบเจ็ดข้อก็ดีนะ ที่จริงก็ยังมีข้อวัดที่มากกว่าศีล227ข้อนะนะอย่างเช่นอากคันตุ ก, กะวัดนะทำแบบไหนเราเป็นอาคขันตุ ก, กะเราไปอยู่ในวัดต่างๆเราต้องทำแบบไหนนะเราก็ต้องศึกษานะอืมนะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ถาม ถามพระที่ท่านอยู่กับที่ว่าท่านภ ร, รษาเท่าไรถ้าท่านภ ร, รษามากกว่าเราเราก็กราบท่านถ้าท่านภาษาน้อยกว่าเราเราก็รับไหว้ท่านนะถามที่พักที่อาศัยท่านจะจัดให้เราพักที่ตรงไหนนะแล้วแต่ท่านนะถามเรื่องน้ำใช้อยู่ที่ไหนน้าดื่มอยู่ที่ไหนนะห้องซ่วมอยู่ที่ไหนนะ แล้วก็ไม่ทำตัวเป็นผู้รู้คอยเที่ยวสอนท่านอะไรประมาณนี้นี่คือก็เป็นอาคารตระเวศนะหรือก็เป็นข้อวัดต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราต้องศึกษาเรียนรู้นะนอพาที่อยู่กับที่ท่านก็ทำหน้าที่ของของเจ้าถิ่ น, นที่จะต้องดูแลอคันตระเวศเหมือนกัน นะก็มีข้อวัดหลายอย่างที่เราก็ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจนะเราก็ไปดูในที่ต่างๆแล้วก็เห็นนะอะไรดีอะไรดีเราก็เลือกเอามาปฏิบัติเอามาศึกษาไว้นะอะไรไม่ดีก็ก็มีนะเราก็อย่าพึงไปใส่ใจนะอย่าพึงไปอะไรนะมันก็เป็นธรรมชาติที่ มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วมันก็จะมีความเสื่อมบ้างอะไรที่ยังรักษาไว้ได้เราก็รักษาไว้อะไรที่เสื่อมไปแล้วก็มองเป็นสัจธรรมไป น, นี่คือถ้าเราออกเดินทางเราก็จะเห็นเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่ชาวบ้านนะเราเห็นเราเห็นเขาเราก็ เอามาเป็นการศึกษาเรียนรู้ได้นะนะอย่างเช่นเราเห็นชาวเขานะเขามีอัธยาศัยมีจิตใจที่ อ, อ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีน้ำใจมีเมตานะช่วยเหลือคนอย่างเช่นพวกเราที่เพิ่งรู้จักกันเหมือนนะนะีแล้วก็เออถ้าเรา ถ้ามีคนมาที่บ้านเรามาที่วัดเรานะเราก็เอาน้ําใจเอาเมตตาแบบเนี้ยเอามาดูแลต้อนรับนะ่ะอคตุ ก, กะที่มาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยอืมก็ได้นะอืมมันก็ทําให้เกิดความประทับใจหรือว่าเกิดความอบอุ่นใจนะอืมนะ่ะเราก็ดูตรงนั้นหรือว่าเราก็ดูวิถีการอยู่ของเขาที่มันมง่ายๆนะไม่ต้องมีอะไรมากนะ่ะ เหมือนได้บ้านก่อนนะที่ได้คุยกับคนที่มาจากร้อยเอ็ดบแต่ก่อนก็เคยอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ที่กรุงเทพเนาะแต่มาอยู่ที่ในบ้านในป่านในเขารู้สึกเป็นยังไรนะเปรียบเทียบกันเ็าบอกมาบอกมันก็หากินง่ายดีนะหากินง่ายไม่ถึงว่าูกข้าวก็มี ก็มีนาให้ปลูกข้าวได้มีข้าวกินนะหาผักหาปลาหาอะไรมากินในแต่ละวันก็หาง่ายดีนะก็รู้สึกก็ดีนะที่เขามองว่าที่จริงก็ชีวิตเราแต่ละวันก็เพียงแค่หาอะไรมาประทังชีวิตให้ได้กินนี่ก็มันก็เป็นความง่ายละ่นะแต่อยู่ในบางที่ที่ดูสะดวกพุ่นวายนะ แต่บางทีก็ถ้าไม่มีนาก็ต้องไปเช่านาเข้านะไม่มีหรือมันก็ต้องไปซื้อข้าวกินนะไม่มีผักไม่มีปลาหาเก็บนยะก็ต้องมีเงินคอยซื้อกินทั้งหมดนะก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินหาเงินเพื่อไปซื้อสิ่งต่า ง, างๆมาเลี้ยงชีวิตนะมันก็เป็นความยากของชีวิตอ่นแบบหนึ่งนะอืม แต่พอมาอยู่กับป่ากับเขากับดอยก็หากินง่ายดีนะก็สะดวกสบายดีสะดวกสบายอีกแบบหนึง่งนยแต่อาจจะลำบากอีกแบบหนึง่งแต่เราก็เห็นเออเขาก็อยู่กันได้นะ้อนบางทีบางกลุ่มบ้านก็อยู่กันห้าหกกรังแล้วเนะี่ยอยู่กันใกล้ๆผู้คน เขาก็อยู่กันมาเป็นร้อยปีตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อยู่กันนะชีวิตก็ไม่ต้องดิ้นรนขรนควายไปมากมายมก็ลองย้อนกลับมามองดูตัวเราเนาะเราก็เห็นตัวเราตอนอตอนอดีตนะตอนอดีตเคยดิ้นรนขนควายเนาะอยากอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่นะ รู้สึกว่าชีวิตต้องมีอะไรมากมายนะถึงจะมีความสุขอืมแต่พอได้มาศึกษากับพวกชาวเขาพวกอะไรต่างก็รู้สึกชีวิตมันก็เรียบง่ายขึ้นยิ่งพอเราเป็นนักบวชนะหรือว่าเราได้มาจาริกแบบนี้มันยิ่งเห็นว่าที่จริงชีวิตในแต่ละวันเนี่ยไอ้จริงความจำเป็นของชีวิตเอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมาก ไม่ได้มีอะไรมากมีแค่อาหารกินมีแค่เครื่องนุ่มห่มนะมีแค่ที่อยู่อาศัยมีแค่ยารักษาโรคนะแค่นี้ก็พอแล้วนะแต่ถ้าชีวิตในเมืองชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับการงานหลายอย่างก็อาจจะต้องมีอย่างอื่นเข้ามาประกอบอีกหลายอย่างนะมันถึงจะเพียงพอนะมันก็วุ่นวายมากขึ้นนะ แต่ที่จริงก็บางทีมีมากหรือมีน้อยก็ไม่ใช่เป็นหลักรับประกันนะว่าชีวิตใครจะมีความสุขมากกว่ากันน ะ, นะถ้ามีมีน้อยแต่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะก็ก็เป็นทุกข์นะหรือมีมากแต่รู้จักปล่อยวางนะไม่ดิ้นรนขนไควมาเพิ่มเติมหรือว่า อะไรมันหายอะไรมันเสียไปก็ก็ทำใจได้อันนั้นก็ชีวิตอาจจะเป็นสุขกว่ากันก็ได้นะก็ไม่ใช่บอกว่าการมีมากหรือมีน้อยอะไรเป็นความสุขกว่ากันแต่การมีน้อยก็ก็เป็นเหตุทําหนะ้ให้เรามีภาระน้อยลงภาระในการดูแลรักษาภาระในการที่ต้องจัดการมันน้อยลง ชีวิตนักบวชหรือชีวิตคนเดินทางทำไมพระเจ้าท่านให้มีพาราคนนี้น้อยลงนยะเพราะว่าเราจะได้มีเวลามาจะเดินภาวนามากขึ้นนะนะอย่างเราเป็นนักบวชนะเราไม่ต้องคิดวุ่นวายเรื่องอาหารการกินนะเขาแค่อาสัยบินทบาทนอะแต่ถ้าเป็นค า, า, ารวาสนะแ้นะานี้จะกินอะไรดี ําวันนี้อย่า ก, กินอะไรดีเย็นนี้อยา ก, กินอะไรดีนะี่ต้องคิดเมนูต้องไปซื้อของต้องทำอาหารนะหรือต้องไปร้านค้านะร้านอาหารนะชีวิตบุญวยกับการกินวันหนึ่งก็สามมือนะีนะ่บางทีก็หลายชั่วโมงนะยิ่งคนไทยเราเนี่ยบางทีเราว่าเรามีข้อดีนะอาหารเราหลากหลายมากนะประดิบประดอยมาก อร่อยมากนะดูดีมากแต่จริงมันก็เสียมันก็เสียกับเวลาที่เราต้องไปประดิษฐ์ประดอยหรือตั้นหามากนะอืมแต่จริงอย่างนักบวงจริงๆไม่ต้องขนขวายมากนะกินจริงแค่พอได้ประทังชีวิตนะอย่างบางทีไปเห็นนะเมืองจีนนะแล้วว่าเขาทานอาหารสามมื้อนะ่ะ แต่จิงอาหารเขาทานสามมื้อเนี่ยทำง่ายกว่าเราทานมื้อเดียวในตานะบางทีเห็นในวัดเราเห็นออหรือวัดอื่นทำอาหารมื้อเดียวนะมื้อเช้าแต่เตรียมของวุ่นวายตลอดทั้งวันแต่ที่เมืองจีนบางทีเขาสามมื้อนะเช้าก็มาทำทาเสร็จก็ไปพักนะก่อนเทีนยงเท่หม่ก็มาทำเองนะทำอาหารง่ายๆอย่างสองอย่างนะ ทำเสร็จก็พักเนะก็ไปพักตอนเย็นก็ค่อยกลับมาทําอาหารอีกทีหนึงห่งง่ายๆนะี่ยอาหารเขาสามมือนะแต่เขาทําง่ายๆแล้วก็แล้วก็แบบไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยมากกินเพียงเพื่อประทางชีวิตนะแต่บางที่เนะี่ยบางวัดโอทานมื้อเดียวก็จริงนะแต่ประดิษฐ์ประดอยกันทั้งวันนะเนี่ยเตรียมมื้อเช้า บาดต่อไปอีกเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความวุ่นวายหรือเป็นความเรียกว่าเป็นความสนุกนะที่ได้ทำนะแต่ถ้าใรมีความสุขในการภาวนาเปนะ็นหน้าที่ทำด้วยก็ได้นะนะแต่จริงชีวิตชีวิตที่พรพเจ้าท่านกำหนดไว้แบบชีวิตนัก บ, บวชนะท่านให้เกี่ยวข้องกับ เ, เกี่ยวข้องกับภาระ าทางโลกให้น้อยนะเช่นเสื้อผ้าก็มีไม่ต้องมีไม่ต้องกี่ชุดเนาะอืมอาหารก็อาใัยจากบินธบาทเป็นหลักแต่ก็เข้าใจสมัยนี้บางวัดมันก็ไม่พอก็ต้องทำหรือที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องใหญ่โตมากาใหญ่โตมากก็เป็นภาระในการทำความสะอาดในการซ่อมแซมในการดูแลเนาะ ยารักษาโลก็อ เ, เอาแบบง่ายนะไม่ต้องขนไวายมากมายเพื่อนะเราจะได้มีเวลาในการภาวนามากขึ้ น, นเวลาว่างที่เหลือของเราเพื่ออะไรเพื่อการภาวนาน ะ, น, ะนะไม่ใช่เวลาเพื่อการทำอย่างอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกำหนดชีวิตนักบวชให้เพื่อการแบบนี้แล้วนะการทุดตงของเราก็ดีนะเราวุ่นวายกับเรื่องภาระทางโลกน้อยลงน ะ, น ะ, น ะ, นะนะ เพื่อเราจะได้มีเวลาภาวนามากขึ้นนะการเดินทางนยะก็เป็นการภาวนานะหรือการเรานั่งอยู่กับที่ไม่มีภาระอย่างอื่นก็คือการภาวนาคนระนะูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านเดินทางทุ่ดงดก็เพื่อการนี้แหละนะนะส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนอารมณ์นะไปเห็นเห็นบ้านเห็นเรือนเห็นป่าไม้เห็นตัดป่านะเปลี่ยนอารมณ์กระทบ เมื่ออารมณ์ที่กระทบมันเปลี่ยนไปบาทีจิตมันจะเห็นสิ่งที่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ปกติเช่นมางทีไปอยู่ในป่าเ ป, เปลี่ยวนะอาจจะได้เห็นความกลัวนะ่ะที่เกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งของเราเองสนะรือบางทีก็เจอจริงๆริงนะเจอสัตว์ป่าเจออะไรนะเห็นจิต ว่ามันกลัวมากน้อยขนาดไหนนะสติที่ว่าเคยฝึกนะสมาธิที่ว่ามีพอเจอจริงๆแล้วเป็นอย่างไ ร, รอบ่านี้หรือตอนเมื่อยมากๆเหนื่อยมากๆนะนะแต่ก่อนก็ไม่เคยเมื่อยขนาดนี้เหนื่อยขนาดนี้ร่าขนาดนี้นะบางทีเราก็ไม่เห็นว่าจิตมันเป็นแบบไหนนะแต่พอมาเจอสภาวะอันนี้ อาการของจิตมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาในี่การเดินทดลงส่วนหนึ่งนะก็เพื่อเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ที่ได้กระทบสัมผัสนะนะเปลี่ยนเพื่อให้ได้เห็นนะนะเพื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนะี่ยในกายในใจของเราเองนะเนะีนะ่ยเป็นการศึกษานะไม่ใช่เดินเพื่อศึกษาท่องเที่ยวในเชิง สังคมหรือวัฒนธรรมนะนะเท่านั้นแต่ที่จริงเชิงสังคมเชิงวัฒนธรรมเชิงอะไรต่างๆพวกนั้นมันก็เป็นความรู้ภายนอกก็เรียนรู้บ้างนิดๆหน่อยๆไปแต่ักสำคัญคือเรามาเรียนรู้เพื่อเอามาเป็นประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาจิตใจนะให้ทาต่างๆที่เราเห็นแนละ้วมัน เกิดประโยชน์แล้วก็เรียนรู้ศึกษาเอามาปฏิบัตินะอย่างที่ว่าเราไปวัดไหนเห็นเขาทำดีเห็นเขาทาถูกนะเราก็ศึกษาเอามาปฏิบัติในตัวเรานะหรือในที่อของเราต่อเราเห็นคนเนชุมชนไหนเขาใช้ชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีเราก็ศึกษาแล้วก็น้ อ, อมเอาธรรมะทัวนั้นมามาใส่ตัวเรานะ Uh huh. อย่างที่เราสวมดมนต์ตอนเช้าเนี่ยโอปัญญิโกนะ Open นะนะนะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนนะนะธรรมะนะธรรมะฝ่ายสุสนะันตเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนนะเนะีนะ่ยนะเราก็จะเรียนรู้พวกนี้นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตน น, ะนี่คือการการเรียนวิชานะวิชาทางโลกเนะเรียนเพื่อเอา มันเป็นความรู้นะนะแต่รู้แล้วถ้ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ยังเป็นความทุกขนะ์นะหรือแม้แต่การรู้ธรรมะนะถ้ารู้ธรรมะแต่เพียงแค่ความรู้นะหรือว่าความจำได้นะความรู้เอาไปพูดคุยได้นะมันก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้มากนะนะแต่เราต้องรู้แล้วก็เอามาทำให้ได้ เอะให้มันเป็นจริงๆรนะหลวงพ่อเทียนทนะ่เคยเกลียบเทียบ น, นะท่านบอกนะี่ความรู้มีสามระดับเหมือนกับข้าวนะมีสามแบบนะข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ข้าวที่พุงแล้วนะข้าวเปลือกอะไรมันก็อยู่ในเปลือกอยู่ในยุ้งนะี่มันเอามากินยังไม่ได้นะี่มันเก็บได้เฉย เหมือนกับความรู้นยะที่เรารู้นะมันยังเอามาใช้ประโยชน์ยังไม่ได้นะตอเมื่อสีสีข้าวนหะรือตำข้าวนะเป็นข้าวเป็นข้าวสารนะนะข้าวสารก็เกิดจากการที่นยะตึกตองนิดนิเคราะห์หรือว่าทบทวนเกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะแต่บางอย่างมันก็ยังแก้ทุกข์ไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะนะ มันเหมือนเป็นข้าวสารตอนเมื่อต้องเป็นเอามาหุงนะเอามาต้มนะเป็นข้าวสวยเป็นข้าวสุกใ่ไหถึงจเอามากินได้ความรู้ของเราเนี่ยนะหองเขที่เรขาวเนยรู้จำรู้จักนะมันต่างจากรู้แจ้งรู้จริงแบบนี้นะอืมอืมอทีเราก็รู้เยอะแต่เราก็ต้องค่อยๆ ย, ย, ย่อยนะ เหมือนกับเรามีข้าวตอแรกก็ต้องเป็นมีข้าวเปลือกนะค่อยๆเอามาตำค่อยเอามาสีเป็นข้าวสารแล้วก็เอามาเที่ยวเอามาต้มเอามานึ่งนะจนกลายเป็นข้าวสุกนะข้าวสวยเอามากินได้นะการทำความเพียนก็เหมือนนะค่อยๆมันต้องผ่านกระบวนการจากที่มันยังดิบๆอยู่นะผ่านกระบวนการเดินทางเช่น การเนินธุดงก็ดีการทำสมาธิเจริสติก็ดีเนะีนะ่ยหรือการเห็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราก็ดีเนี่ยมันจะเป็นการค่อยๆกระเทาะเปลือกออกนะค่อยๆเนะี่ยเพิ่มนะความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเนะี่ยยิ่งทุกข์มากนะเนะี่ยยิ่งมีโอกาสเห็นธรรมะมากนะ <c oughs> นะ คำว่าทุกข์มากคือว่าบางทีมันมีความบีบคั้นบางอย่างของร่างกายนะนมีความบีบคั้นบางอย่างของร่างกายมันก็ทำให้เห็นอาการของจิตได้ชัดขึ้นนะแต่ความทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปวิ่งหานะแต่มันคือแต่เราเดินทางมันก็ย่อมเห็นอยู่แล้วนะเห็นอยู่แล้วบางคนบอกมาทำให้ตัวเองทุกข์ทำไมเนาะ มาเดินขึ้นเขาลงห้วยอดข้าวอดน้ำนะนอนหนาวมาทำได้เองทุกอย่างไรยังนะนั้นเราเพียงแค่มาเรียนรู้ดูนะดูการเดินทางนะแต่เราก็ดูทุกไปด้วยนะร่างกายมันทุกจิตใจมันทุกไหมนะอืมนะเราก็เรียนรู้ศึกษาเนยะในสภาวะที่ร่างกายมันอาจจะทุก นะมันก็จะเห็นจิตใจบางอย่างที่มันเนตพระปกติมันไม่ค่อยเห็นนะแต่ทุกบางอย่างของร่างกายนะก็อดทนนะแต่ทุกบางอย่างของร่างกายก็ต้องแก้ไขต้องรักษานะนะมันมันจะรักมันจะทนไปทั้งหมดก็ไม่ได้เหมือนกันนะบางทีร่างกายก็ต้องมีการพักผนะ่อนเช่นหิวนะ่ยจะทนนะ ก็ทนนะถ้ามันบินลบากไม่ได้ก็ต้องทนนะไม่มีอะไรยฉันก็ต้องทนนะเพราะว่าเราก็เราถือข้อวัดนว่าเราจะบินธบาตเป็นวัดเราจะไม่หาซื้อกินเราจะไม่ทําเองเลยนะเราก็ต้องทนเราทนแต่ทนแบบทนแบบเรียกว่าเหมือนราชสีนะอืม ไม่ยอมกินเนื้อเน่าเน่านะที่เขาตาย เ, าเหม็นแล้วนะอนะถ้าจะกินก็กินแต่ที่สิ่งที่เขาจับได้เองนะราชเชสสีนยะราชเสสีเขาไม่กินของของเน่าเน่าเหมือนกับหมาในเหมือแต่เขาต้องจับสัตว์ของเขาเองแล้วก็กินนะสัตว์ที่เขาจับมาได้เองนะชีวิตนักบวชเราก็เหมือนกันนะ เราบินทบบาทเป็นวัดก็เหมือนเหมือนเราออกไปหาอาหารเนาะถ้าเป็นสัตว์ก็ออกไปหาอาหารแล้วก็กินอาหารที่เราหามาได้เองนะั่นแหละเราไม่กินของเก่าที่เก็บไว้ค้างคืนนะนี่คือวิถีชีวิตของเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนใช้ชีวิตแบบราชาสนะีหาไม่ได้ก็อด อดบ้างก็ไมีกอตายหลักนะยังมีสะสมในร่างกายเยอะแยะมากมายนะ อ, อันนี้คือแล้วบางทีเราตอนหิวเยอะแยะนะอาจจะต้องระวังการปรุงแต่งของจิตนะอืมคิดอยากกินนั่นกินนี่นะมันจะพุ้งซ่านไปเรื่อยน ะ, นะฟุ้งไปถึงเมนูฟุ้งไปถึงร้านอาหารนะฟุ้งไปถึงอนาคตถ้าเสร็จแล้วจะไปกินอะไรเอย่างนะ้ มันก็พุ้งออกไปทำให้จิตเราน่ดื่มปัจจุบั น, นธรรมบางทียิ่งคิดแบบนั้นมากนะแทนที่มันจะมันยิ่งหิวมากขึ้นนะมันยิ่งทุกข์มากขึ้นนะมันกับยิ่งหิวนะ่ะแต่จริงนะข้าวนะอย่างข้าวดอยข้าวไรเลยนะบางทีแค่กินเปล่าๆเนี่ยก็ได้รสชาติแล้วนะ กับข้าวนิดๆหน่อยๆก็เพียงพอแล้วนะหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าทุดดงบางทีเนี่ยไปกันเป็นคณะนะได้แคบหมูมาถุงหนึ่งเนงีย่ยทํำไงอก็แบ่งแคบหมูหักกันคนละชิ้นคนละชิ้นอ่ะเอาข้าวเหนียวมาจิ้มแคบหมูนะจิ้มกินพอได้แบบเหมือนติดรถแคบหมูนิดนึง่ะเคี้ยวธีรคำธีรคำธีรฟั่นนะ เจอกระทังอิ่มได้นะอืมแค่ข้าวหนึ่งกับแคบหมูชิ้นหนึ่งเนี่ยก็อิ่มได้แล้วในแต่ละมื้อนะนะชีวิตเราก็ต้องเด็กผ่าแบบนั้นนะบางทีอืมแต่จริงเรามาก็ดนตงอบนี้ยังไม่มีอดเลยนะอก็ยังมีของฉันมีอะไรฉันเพียงพอนะเหลือเฟือทุกวันเลยนะอืม แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้แบบเนี้ก็ทํายอมรับว่าเออถ้ามันเกิดไม่มีเราก็ต้อง อ, อืยอมอดนะดีกว่าดีกว่าเสียสัตว์นะเสียสัดจากที่ได้ตั้งใจไว้ว่าเออเราจะไม่ซื้อ อ, อืเราจะไม่ทําเองนอกจากว่า อ, อทําวัดทางอะไรเขาเนยเขาจัดการให้นะนัออ่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เนี่ยเราก็อยู่แบบเนี้ยนะหรือการขอนะก็ต้องอย่าต้องระวังนะนะเราเป็นนัก บ, บวชเราเราเป็นคนจาริกเราก็ต้องระ ว, วังเรื่องการขอนะีนะ่ยขอต้องขอกับหมู่พิสูจน์ด้วยกันเองเนะี่ยมันก็จะดีนะไปที่ต่างๆก็ขอนะขาดเรื้ออะไรจริงจริงก็ขอกับวัดขอกับพระเนะีนะ่ย ขอกับภารวาสบางทีก็เราก็ไม่รู้นะเขานี่ใส่ไปขอเป็นแบบไหนนะบางคนก็ไปขอแล้วเขาก็ให้ด้วยความเต็มใจเขาก็ให้ด้วยความไม่เต็มใจก็มีนะ อ, ะอนะนั้นก็ต้องระวังเรื่องเรื่องการขอให้มากๆ า, กากนะนะคือเราขอขอไม่แบบแบบ เหมือนบังคับเขาอะไรแบบนี้นะต้องดอูนี่แบบพูดแบบรวมรวมไว้ก่อนนะให้เราระวังเรื่องเรื่องการที่จะไปรบกวนคนอื่นให้น้อยที่สุดนะพระพระุทธเจ้าท่านท่านเปรียบเทียบเหมือนพิสุนะเหมือนกับมแมลงผู้พึ่งนะตอมดมเกสรดอกไม้เนี่ยเพื่อหาน้ำหวานมาเอามารับประทานแล้วก็จากไป โดยที่ไม่ทำให้ดอกไม้ช้ำดอกไม้เสื่อมเข้าใจไหมวิสนะูตรเราก็เหมือนกันไปในที่ต่างๆไปในเรือนต่า ง, างไปในวัดต่า ง, างผ่านไปที่ไหนก็ไม่ทำให้ที่นั้นๆบอบช้ำหรือเสื่อมเสียหรือเสียหายมาท่านให้เราเป็นเหมือนมแมลงผู้พึ่งแม้เราจะหากินโดยบินตะบาด โดยอาศัยที่พักในที่ต่างๆแต่ก็ไม่ทำให้ที่นั้นๆเขาเสือ่อมเขาเสียนะหรือว่าเขาลำบากแบบนี้นะหากินแบบแมลงผู้พึ่งนะนอกจากได้น้ำหวานมาประทังชีวิตแล้วก็ยังช่วยนะช่วยผสมเกสรให้กับดอกไม้ด้วยนะเราเองก็ไม่ใช่เพียงแค่เราเดินทางคื่อเราหวังหวังวิ่งชีวิตเท่านั้นหรอกแต่จริงเราก็ อย่างน้อยเราก็ต้องสแสดงธรรมของผู้ที่กำลังฝึกตนเนา ะ, ะ, ะคนที่มาฝึกตนนะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างไรก็มันก็สแสดงผ่านกายวาจาแล้วก็ใจของเราเนี่ยแหละผู้ที่ได้พบเห็นเขาก็เขาก็ศึกษาเขาเรียนรู้เขาก็ดูดูเราอยู่นะ คนที่ชาวบ้านคนที่ผ่านทางเขาเขาก็ดูเราอยู่ว่าเราเป็นแบบไหนมันก็เป็นการเหมือนต่อไม่ได้พันนะเหมือนต่อเกสรเหมือนแดงผู้พึ้งก็ต่อเกสรดอกไม้ไปเรื่อ ย, เ ร, อยเราเองก็เหมือนกันเราเดินทางนะก็เหมือนเป็นการสืบทอดพระศาสนาแบบหนึ่งเหมือนกันนะนะไปในชุมชนที่ห่างไกลนะ ที่ไม่ค่อยได้เจอพระนะไม่ได้เจอนักญาริกนะเขาก็ได้ทาบุญทำทานเขาก็ได้ฟังธรรมบ้างนะหรือบางคนเขาก็สังเกตเขาก็พบเห็นนะนะเกิดศรัทธาบ้างนะหรือยังไม่เกิดศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะ น, นี่คือเราก็เดินทางแบบนี้เนาะให้เราได้ึกเหมือนเราเป็นมแมลงผู้พึ่งนะนะเราเดินทางไปในที่ต่างๆนะ เพื่อหาน้ำหวานมาประทังชีวิตเพื่อหาอาหารมาประทังชีวิตนะแต่จริงเราก็ยังหาธรรมะเพื่อประทังใจด้วยนะอะไม่ใช่เพียงแค่เราเดินทางเพื่อหวังเครื่องเลี้ยงชีวิตทางปัจจัยสี่เท่านั้นนะแต่เราก็ต้องเดินทางเพื่อหานะธรรมะเพื่อประทังใจของเราให้ได้มีธรรมเป็นเครื่องดาเนินชีวิตนะแล้วก็มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจของเรา แล้วก็มีทรรมเป็นเครื่องที่คอยแสดงให้กับคาราวะญาติโยมเขาได้เห็นนะเขาได้มีศรัทธานะไม่มีความเลื่อมใสนะได้มีความเลา้ากุศลนะทำภายในใจของเขาให้ออกขึ้นมานะนี่คือธรรมที่เราต้องแสดงแล้วก็รักษาแล้วก็ต้องเผยแผ่ออกไปเนาะนะ ก, ก็ฝากพวกเราไว้นะ